สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจาศรีบาง น, นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมลู ก, กาบทที่สิบห้า้งบทนะครับเป็นชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งรอยเจ็ดสิบห้าเรื่องแกะเหรียญคนหายไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นการสรุปลู ก, กาบ ท, ที่สิบห้าทำให้เราทั้งหลายเห็นภาพรวมของอุปมาแต่ละเรื่องของพระเยซู และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยสิ่งที่หายไปในลูกาบทที่15นั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันครับ ก, ก็คือแกะหายไปเหรียญเงินหายไปและคนหายไปคนในที่นี้ก็หมายถึงลูกชายคนเล็กบุตรน้อยและก็ลูกชายคนโตก็คือบุตรใหญ่หรือพี่ใหญ่ พี่น้องครับคาอุปมาสามเรื่องนี้พระเยซูกําลังบรรยายถึงท่าทีที่พระเจ้ามีต่อคนบาปครับพระเยซูไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับความบาปและการทาบาป ก, การฝ่าฝืนหรือมีท่าทีที่กบฏ่อพระเจ้ากบฏต่อการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระองค์หรือพระเจ้านั้นยังคงรอคอย คนบาปที่จะกลับใจใหม่เรามีพระบิดาบนสวรรค์ที่คอยที่จะให้อภัยพวกเราซึ่งเป็นคนบาปที่จะกลับใจใหม่ครับถามว่าทําไมพระเยซูโรงส่งชาติเรื่องนี้เพราะโปรงส่งมาจากพระบิดาโปรงส่งชาติครับว่าพระบิดานั้นรอคอยคนบาปรอคอยพวกเราเพื่อที่พระ อ, องค์จะสามารถอภัยโทษหรืออภัยบาปให้กับเราได้ แต่พระเยซูก็มีสิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษหรือให้อภัยยกความผิดบาปได้พี่น้องครับค้าวอุปมาเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องกับของที่หายไปสามอย่างเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้และเราเห็นบางสิ่งบางอย่างของคําอุปมาของหายทั้งสามสิ่งนี้เมื่อเราพบภาวอุมีพี่น้องเราจะเห็นว่า หน้าที่ของเราทั้งหลายซึ่งเป็นทฤษฎีน์เราควรทําอย่างไรกับของที่หายไปประการแรกครับก็คื อ, อปุบปำมาเรื่องแรกเรื่องแกะที่หายไปเรารู้นะครับว่าแกะนั้นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเ อ, อโง่ครับเป็นสัตว์ที่ชอบเดินหลงทางง่ายเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เป็นสัตว์ที่น่าสงสารครับแต่ว่าแกะ เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะว่ามันให้ขนแกะมันให้น้ำนมแล้วก็มันให้เนื้อในขณะที่เลี้ยงพวกมันเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ง่ายครับเราเห็นว่าแกะไม่ได้คิดถึงตัวมันนะครับมันชอบเดินหลงออกไปมันโง่มันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่นึกถึงเรื่องยุ่งยากที่มันจะต้องเผชิญถ้ามันยังอยู่ในความโง่และชอบเดินหลงออกไป มันสามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของบรรดาชุมนกริ้งจอกหรือสัตว์ร้ายที่อยู่ในทะเลทรายที่กําลังตามล่าเหยื่อมันอยู่แต่ถ้ามันหลงหายไปฝูงมันขาดผู้เลี้ยงแน่นอนครับชีวิตของมันนี้จะจบลงด้วยความตายอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันรู้จักเดินตามผู้เลี้ยงมันก็จะไม่หลงทางครับเพี่นักับแกะที่หลงหายนั้นเปรียบเสมือนกับคนที่หลงทางไปคนที่หลงทางไปเพราะความไม่รู้ นะครับคนที่หลงทางไปเพราะว่าโง่โง่เขานะครับคนที่หลงทางไปเพราะว่าขาดคำสั่งสอนที่ดีที่ถูกต้องนะครับคนที่หลงทางแบบนี้นะครับก็สามารถเปรียบเทียบกับแกะได้ในขณะที่เขาไม่จรหนักรู้ว่าพวกเขากำลังเดินหลงทางจงกระทงนะครับจะต้องมีผู้เลี้ยงไปคอยตามจนกว่าที่จะมีคนไปบอกเาว่าเขาหลงทางอยู่นะ เข้าถึงจะได้รู้พี่น้องครับเราเห็นว่าแกะที่หลงหายนั้นก็เปรียเทียบกับคนที่ไม่รู้อีหนิเนี่นะครับเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีความเฉียวฉลาดเป็นคนที่ขาดทัศปัญญาเขาต้องการคนรู้ครับไปบอกเขาต้องการผู้เลี้ยงแกะที่ดีไปช่วยเขาออกจากความทุกข์ยากออกจากการหลงไป นะครับพระเจ้าต้องการให้พวกเราทั้งหลายที่มีเทวดาเนี่ยครับออกไปแสวงหาคนเหล่านั้นที่หลงหายไปก็ไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่รู้ด้วยและต้องการคนไปบอกเขามีเพลงเพลงหนึ่งครับบอกว่าใครจะไปบอกใครจะไปบอกคนเหล่านั้นที่หลงหายไปนะครับนี่คือเรื่องราวของแกะที่หลงหายครับเร <spiritually. S 1> ื่องราวต่อไปก็คือเงินเหรียญที่หายไปเี๋ยวนะครับเหรียญ ท, ที่หายไปนั้น หายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าของเหรียญนะครับเจ้าของเหรียญอาจจะละเลยบางสีบางอย่างนะครับไม่ได้สนใจเอาใจใส่เหรียญนั้นก็หายไปทั้งที่เหรียญนั้นหนึ่งเหรียญที่หายไปก็มีความสำคัญครับพี่น้องครับการไม่มีคนเอาใจใส่นะครับทำให้เหรียญหายไปก็เปรียบเสมือนกับเหรียญนี้ครับเป็นคนก็ได้ คนบางคนในสังคมของเราไม่ได้ครับการใส่ใจไม่มีใครเอาใจใส่เขาครับคนบางคนในสังคมนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นคนที่ถูกปล่อยประละเลยนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับแต่เขาถูกปล่อยประละเลยเขาไม่เหมือนกับคนประเภทแรกก็คือแก่ก็คือเขาโง่เขาขาดสติปัญญานะครับแต่คนที่เป็นเหรียญเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นคนที่ถูกปล่อยปะละเลยเป็นคนด้อยโอกาสหรือจะเปรียบใช้ว่าคนที่หาโอกาสไม่ได้ยกอย่างเช่นคนในสังคมนะครับที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญหลายนครั้งทีเดียวคนเหล่านั้นเขาไม่ได้โง่นะครับเขามีความเฉยียวฉลาดพี่น้องครับคอนเซนต์ของประชากรในทุกๆประเทศ ปรากฏว่ามีอยู่ 2% ครับที่เป็นคนที่ฉลาดนะครับจาก 100% จาก100คนมี2คนที่ฉลาดในระดับที่มีไ q ิที่สูงนะครับเหนือมาตรฐานในขณะในดียกันครับก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ขาดสติปัญญานะครับแต่คน 2% ที่อยู่ข้างบนที่มีสติปัญญามีความฉลาดเป็นอัจฉริยะ ถ้าสเปเซนตนี้ห่างไกลจากความเจริญอยู่ในชนบทอยู่ในป่าอยู่ในเขาคนเหล่านี้ครับหาโอกาสไม่ได้ไม่มีโอกาสครับหรือที่เราอาจจะเรียกว่าด้อยโอกาสเขาได้ถูกปล่อยประละเลยคนจํานวนมากนะครับหลงหายไปในปัจจุบันนี้เพราะเหตุที่ว่าคริสเตียนเราเนี่ยละเลยละเลยที่จะปลูกมเมล็ดพันธุ์นะครับแห่งความรู้ละเลยที่จะปลูกมเมล็ดพันธุ์ของ ข่าวประเสริฐเราเห็นว่ามิชชันนรีบรรพชนในสมัยก่อนในยุคปุกเบิกนั้นเขาได้เข้าป่าขึ้นดอยครับเพื่อที่จะหาคนเหล่านั้นที่หายไปซึ่งเปรียบเส ม, มือนกับเหรียญเงินที่หายไปครับให้โอกาสกับผู้ที่ได้โอกาสนะครับให้เวลากับผู้ที่ถูกปล่อยปะละเลยให้ความช่วยเหลือเขาและนํำข่าวประเสริฐเข้าไปทุกๆุกแห่ง ในประเทศไทยนี้คนเหล่านั้นครับเป็นคนที่จุดแสงสว่างในตัวของคนที่ด้อยโอกาสเพื่อที่เขาจะได้เห็นตัวเองคนเหล่านั้นครับออกมาในโลกเพื่อสแสวงหาคนที่หลงหายไปนี่ลองครับเราที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้เพราะพาะคนเหล่านี้นั้นก็เป็นมนุษย์และมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับอย่ากให้เรามีการกรีดกัน ให้เรามีแบ่งชั้นวรรณะแต่ขอให้เราที่จะสลักตัวของเราเองรับใช้พระเจ้าให้โอกสาสกับคนอื่นๆอีกมากมายสุดท้ายครับก็คือกลุ่มของคนที่หายไปคนที่หายไปในที่นี้ก็คือบุตรน้อยในคำอุปมานี้บุตรน้อยคนนี้เหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนบาปที่ตั้งใจเลือกที่จะอยู่ในบาปตั้งใจ ที่จะทำบาปคนเหล่านี้ครับจะต้องสํานึกตัวสารภาพบาปครับไม่มีใครที่จะไปบอกเขาได้มีเพียงแต่เขาวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเขาเห็นความอ่อนด้อยของชีวิตเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่เป็นความทุกข์ยากลําบากแต่เมื่อความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นนะครับพอเขาเห็นเขาสํานึกได้ครับเขารู้ครับว่า อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาพี่น้องครับบุตรน้อยหลงหายในคาอุปมาณนี้นะครับพวกเขาเปรีบเส ม, มือนกับคนที่ปฏิเสธที่จะฟังข่าวประเสริฐตั้งใจที่เลือกอยู่ในบาปต่อไปเพราะวิญญาณบริสุทธ์เท่านั้นจะสามารถทำให้พวกเขาสำนึกบาปได้พี่น้องครับในขณะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับก็ขออย่าให้เรามองคนเหล่านี้ด้วยท่าทีของบุตรชายคนโต เพราะถ้าทีของบุตรชายคนโตรหรือบุตรใหญ่นั้นไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเพราะเนื่องจากคนเหล่านี้ตั้งใจอยู่ในบาปคนเหล่านี้เกลื่อนกลัวกับสิ่งที่ไม่ดีคนเหล่านี้นั้นมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกับเป็นคริสเตียนนะครับไม่อยากให้เขาเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเราซึ่งเป็นชาวสวรรค์ชื่อเสียงที่ไม่ดีของเขาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาตลอดจนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ ดูเหมือนว่าเขายังไม่จับใจจริงๆพี่น้องครับคนเหล่านี้เราต้องอธิษฐานเผื่อเขานะครับในขณะที่ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้แต่ให้เราอธิษฐานเผื่อคนกลุ่มนี้ครับและอธิษฐานเผื่อพวกเราเองด้วยที่เป็นคริสเตียนที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราอยู่ใกล้คิดพระ้ามากกว่าเขาอย่างให้เราเหมือนกับบุตรคนโตหรือบุตรใหญ่ที่สูญหายไปเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคําอุปมาทั้งสามเรื่องนี้เราเห็นว่าในภาพรวมนั้น เป็นพจนะที่มาถึงพวกเราแต่ละคนครับเราจะเห็นว่าพระเยซูเชิญทุกคนให้เข้าอยู่แผ่นดินสวรรค์พระองค์ไม่ได้กิตกันแบ่งแยกเชื้อชาติเพศหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าที่คนอื่นให้กับเขาแต่พระเยซูเห็นว่าทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงรักแกะของพระองค์ทั้งหมดและพระองค์เอาใจใ ส, เส่เป็นที่พิเศษพิเศษครับกับบรรดาแกะที่หลงทางอยู่ ซึ่งเราเรียกว่าเป็นคนบาปเมื่อคนบาปกลับใจใหม่ยอมยอมรับได้สารภาพต้อนรับพระเยซูนะครับมีความชื่นชมยินดีในหมู่ชาวสวรรค์และพระเยซูก็ต้องการให้เราชื่นชมยินดีด้วยพระเยซูต้องการให้เราขยันหมั่นเพียรในการสแสวงหาคนที่หลงหายไปเพื่อพวกเขาจะได้ความรอดครับปรงทรงรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อและอยากที่จะเห็นคนบาปกลับใจให้เขาสำรภาพบาปของตัวเอง ไปเยชูก็พร้อมที่จะให้อภัยพวกเขาพี่น้องครับโปร่งรงประทานความรอดให้ทันทีนะครับไม่ต้องมีช่วงเวลาที่จะรอคอยเพื่อจะรับความรอดอันนี้คือสิ่งที่เป็นคําสอนของลู ก, กาบทที่สิบห้าแต่ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสใกล้ชู้นครับอย่างให้เราเป็นบางสิ่งบางอย่างที่โร ป, ปร่งไม่ปรัชนาแต่ให้เราเป็นในบางสิ่งบางอย่างที่ พรงปราสนาและเป็นน้ำมไทยของพระองค์อาเมยน